กัจกปจยาพระภัยบูรณาภิพุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปากกับท่านฟังเป็นประจำทุกวันเราฟังธรรมะ ก, กันมาทุกวันปีหนึ่งเนี่ยมี365วันบางปีก็มีมากกว่าบางปีก็มีน้อยกว่าถ้าสมมุติเราฟังธรรมอยู่ทุกวันทุกวันฟังมันทุกวันเอ๊แล้วเราจะบรรลุเไหม่ คือถ้าเราเดินตามทางอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งมันจะต้องถึงนั่นแหละเอ๊ะแต่แล้วมันจะถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้ได้งไงว่าบางคนก็อาจจะมีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะแต่ละคนแต่ละท่านนี่ที่ฟังธรรมะมาปฏิบัติตามมรรคแเนี่ยก็เดินไปตามทางอยู่ใช่ไหมอุปมาอุบไมยหนึ่งที่พุะเจ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุณมีต้นไม้มีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พืชอ่งุ่นพันธุ์พืชอ้อย นะึ่งพันพืชข้าสาลีที่เราถ้าเราปลูกรดน้ำํำพรวนดินใส่ปุ๋ยถึงเวลานะึ่งมันก็โตขึ้นมาออกผลได้แล้วถามว่าผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราเดินตามมรดเดินตามมรดผลจะได้เมื่อไหร่มรดนี่หมายถึงเส้นต่างนะ่งผลก็หมายถึงโสดาปฏิผลบ้างสากาธาคามีผลบ้างอนาคามีผลบ้างหรืออรสาธผลบ้างมันจะ ไม่จอบผลยังไงมีครั้งหนึ่งพรุทธเาได้เคยตรัสกับเมธียะนะถึงวิธีการที่จะทำให้มีความปริปผลนะผลเนี่ยมันผลิออกมาผลิตขึ้นมาได้นะก็จะใช้ควาว่าปริปรากก็คือว่าสุกรอบนะมีความสุก ข, ของผลอย่างมะม่วงเราเก็บมามมนยังดิบอยู่จะทำาไงให้มันสุกบ่มในหวังบ่ ม, บ, มบ่มแก๊สไง บางคนบ่งแก๊สมะม่วงก็สุกเนะื้อทุเรียนเก็บม า, ามังคุดเก็บมาผลไม้อะไรต่างๆที่เก็บมาเก็บมาเนี่ยถ้าเราดูที่ผิวของผลไม้เนี่ยถ้าเรามั น, มนสุกมากมันก็จะผิวมันจะแตกออกปรีออกเนะืผลไม้หลายๆอย่างแบบนงงี้ทุเรียนนี่เห็นได้ชัดนะืสุกบางทีมันตรงปลายตรงนี้มันมันแตกออกมานะเราก็จะรู้ว่าอันนี้สุกแล้อันนี้สุกเกินไปละไม่ดีละ แต่ถ้ามันยังไม่สุกคือยังไม่ปรีนะยังไม่ปริปากออกมาก็คือความสุกรอบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ต้นไม้ที่เรามีหรือว่าเมลิพันที่เรามีเนี่ยมันสุกหรื อ, อยังนะสุกหรือไม่สุกนี่มันคืออย่างผลไม้สุกเนี่ยเรามันจะส่งกลิ่นหอมมากลิ่นลักษณะของเขานะออกมานะมีผลมีสีสันที่สวยงามแสดงถึงความสุกรอบของเขา นนเราจะรู้ได้เมื่อมันสุกทีนี้เราจะทําไงให้มันสุกแลเราจะทํายังไงถึงจะบ่มเจ้ามักผลเหมือที่เหมือนกับเรามีอยู่เรามีเมล็ดพันธุ์ของธรรมะอยู่แลเราฟังอยู่ทุกวันหรือถ้าใครก็ตามเพิ่งมาฟังวันนี้เปิดมาฟังแล้วเออมันเหมือนกับรู้สึกว่าดีแสดงว่าเรามีธรรมะอยู่ก่อนแล้วแลเราเคยเดินตามทางธรรมะที่เรามีอ่านหนังสือธรรมะมบ้าง เคยศึกษาปฏิบัติในรูปแบบต่างๆมาบ้างหรือว่าอาจจะไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะไม่เคยจะปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแต่ถ้าในชีวิตประจำวันงเรามีศีลเราเป็นผู้ที่รู้สึกว่าการฆ่าสัตว์นี่มันไม่ดีนะรู้สึกว่าโกหกนี่มันไม่ดีแต่อาจจะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแค่นี้แสดงว่าเรามีเชื้อของธรรมะอยู่เรามีเชื้อแห่งความดีเรามีร่างรอย ของอย่างน้อยกุศลธรรมที่ยังอยู่ในจิตยังมีเขาเรียกว่าฮิริโอตปะคือความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีทั้งฝั่งเนี่ยคือเราทําชั่วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งชั่วแต่เราอาจจะยังทําดีไม่ได้เรยียงรักความชั่วไม่ได้แต่เรายังรู้สึกกลัวรู้สึกละอายบ้างเ อ, อย่างนั้นก็ยังมีฮิริโอตปะมีความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีเราจะผันหมุนทําให้ตรงเนี้ยมันสุกปรีออกมาเนีเป็นผล เป็นโซดาปัฏิลผลบ้างจนถึงอรัารันตผลบ้างได้อย่างไรแล้วยังสัทธาฮิริโอตปะวิริยะและก็บัญญา5อย่างนี้เป็นกําลังของพระเซคะในเซคะคือหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ที่ยังจะต้องทําความสุขของผลของตัวเองให้เกิดขึ้นในะฮิริโอตปะคุณมีและคุณรู้สึกว่ า, ายังมีความรู้สึกผิดชอบช่วยดีสิ่งชั่วๆ่่่่ยก็รรรูู้้แตอางงจิไมหม สิ่งดีๆยังก็ทําแต่จะแท้ยังทําได้ไม่ดียังได้ทำไม่ได้ไม่หมดนะศรัทธาก็มีแต่ไม่สูงอ่ามีบ้างนิดๆหน่อ ย, อยมีสูงบ้างตามบ้างบางเวลานะปัญญาก็ยังเห็นถึงความที่เออมันไม่เที่ยงบ้างอะไรบ้างนะทีนี้เราจะหมุนตรงนี้ทําตรงนี้ให้มันสุก ข, ขึ้นมานะให้มันอา่าเป็นสิ่งที่เป็นผลนะใช้ได้กินได้ มีวิธีการอยู่ทำฟังพระเจ้าพูดถึงตรัสถึงข้อที่แรกก่อนข้อแรกคือความที่เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี่เป็นข้อที่หนึ่งเลยนั่นของความสุขรอบของอวิมุติของผลที่เรายังไม่ได้ทงไงให้มันสุขขึ้นมาที่เราอาจจะมีแล้วแต่ยังไม่สุขหรือเป็นต้นเป็นเมล็ดอยู่มันยังไม่งอกงอกอยู่แต่ยงไม่เกิดผลยังไม่เกิดออกดอกออกผล นะหรือออกด อ, อ, อกผลอยู่แต่ยังไม่สุกก็คือ1ต้องมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีกัละยะาณมิตรนั่นเองกัละยะาณมิตรหรือว่าเพื่อนดีในที่นี้นั่นะก็มีอยู่หลายนัยะันะ่นยะแรกนะบุรุษชาก็หมายถึงครว่านตะ์หรือว่าใครสักค น, น, คนหนึ่งนั่นะที่เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจากะมีปัญญานะเราจะเลือกเพื่อน เราจะเลือกคบกับใครสั ก, กนคนใดคนหนึ่งก็ต้องดูที่ว่าเขามีศรัทธามีศีลมีจากกะมีปัญญาไหมนะปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเรียนสูงๆนะแต่หมายความว่าเขามีปัญญาในการที่จะสลัดออกจากเครื่องร้ายรัดมีการปล่อยวางบ้างเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับบ้างนะถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่าเขามีปัญญาแล้จะจบปไหนก็ได้จะจบมัธยมไหนก็ได้จะจบปริญญาไหนก็ได้นั่นถือว่าดี มีปัญญาศรัานั้นก็คือหมายถึงไม่ได้ศรัทธานในพวกสิ่งของข้าวของที่เป็นพวกของศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลพระเครื่องอะไรงี้ยไม่ใช่เงี้นแต่ศรัทธานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้นะาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือศรัทธาจาระนะก็คือการให้การบริจาคมีการให้ทานมีการรักษาศีลบ้างศีลนะ น, นี่ก็คือแน่นอนอยู่ละ นะี่ยคือเรื่องศีลห้าเป็นอย่างน้อยอย่างนี้เป็นเพื่อนดีได้กิลยาณมิตได้ในในระยะ ท, ที่1 ห, หรือในระยะ ท, ที่2องนี่ผู้ช่อก็เคยได้ตรัสถึงเอาตัวพระองค์เองนะหรือเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์รูปไหนรูปหนึ่งก็ไดนะ้หรือหลายรูปก็ได้เป็นกลิลยาณมิตของเราเนะีเป็นผู้ที่เราจะคอยเข้าไปคบหาเข้าไปใกล้ฟังพูดคุยกับท่านต่างๆเหล่านั้น มีความชั่วความไม่ดีแรงตัวเองก็ออกมาเปิดเผยมีความดีงามมาเลจากท่านการศึกษาต่อมาอันนี้ก็เป็นนัยยะที่สองคือเป็นพระสงฆ์ก็ได้หรือนัยยะที่สามก็เอาธรรมะนี่แหละเป็นการียานมิตรของเราคือเอาอริยมรรคมีองค์แก็ได้ในถ้ามันหาไม่มีละเพื่อนเนี่ยที่เป็นตัวเป็นเป็นคนเป็นจริงจริงเอาเนี่ยล่ะสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้เป็นการียานมิตรเป็นการียาณวัตรนั่นคืออริยมรรคมีองค์แก็ได้ เราสามารถที่จะทําตรงนี้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ยังมีอีกนะข้อที่2ก็คือว่าให้เป็นคนที่มีศีลท่านฟังมีศีลสัรสมรณมด้วยดีด้วยการสัมรวมในปฏิโมกขปฏิโมกนี่ก็คือหมายถึงระบบศีลของพระถ้าเป็นพระก็คือคุณต้องคุณต้องมีศีลปฏิโมกแล้วในระบบนี้ถ้าเป็นฆราวาสก็อยู่ที่ว่าเราเป็นฆราวาสแบบไหนถ้าเราเป็นฆราวาสผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่นะคุณอย่างน้อยต้องมีศีล5ถ้าคุณ เป็นคารวาที่ประพฤติพรมจรรย์ราก็ต้องศีล8เป็นอย่างน้อยถ้าคุณเป็นสามเณรก็ต้องศีลสิเป็นอย่างน้อยนะก็ตามนี้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะถึงพร้อมด้วยมรารยาทแโคจรกันมารยาทโคจรอันนี้ไม่ได้เป็นศีลชนิดที่ปรับอาบัติคุณนะแต่เป็นศีลชนิดที่เรียกว่าถ้าทำแล้วนะก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความเลื่อมใส คนที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยเช่นอย่างคารวะก็นั่งดื่มนั่งกินอย่าไปยืนกินยืนเดินกินอย่างนี้ก็ค่อยฝึกมารยาทบางนั้นโคจรก็คือสถานที่ที่เราไปที่ไหนที่เป็นที่อโคจรก็อย่าไปไปที่ที่ควรเป็นที่โครจรสําหรับประสงค์ก็อย่างเช่น บ้านของสาวเถื้อบ้านของหญิงไมนะ้สำนักของภิกษณุณีบ้านของคนที่ไม่มีศรัทธาพวกนี้เป็นที่ที่ไม่ควรไปเป็นต้นในกรณีของภิกษนะุกรณีของคราวานะว่าต์พูดถึงศีลหอย่างนี้ก็ตามนะตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนไม่ควรไปสถานที่โสเภณีไม่ควรไปที่ที่เขากินดื่มเที่ยวเล่นกันนัยขับบาร์เทนะ็กก็ไม่ควรไปนี่เป็นที่อัลโคจ เราหลีกเรี่ยงที่ต่างๆเหล่านั้นในรักษามรารยาทของเราให้ดีอันนี้ก็คืออยู่ในรุ่นของศีลด้วยและนอกจากนี้ก็ให้เป็นผู้ที่มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยโทษเล็กๆน้อยๆอยภัยเล็กๆน้อยนอยเราต้องเห็นเราต้องระวังแอย่าประมาทสิ่งที่เราไม่ควรประมาทคือไฟกองเล็กๆเต็มฝั่งไฟกองเล็กๆเออมันยังไฟดวงน้อยน้อยอยู่ มีอะไรไม่ต้องดับก็ได้นี่ น, นีประมาณละแต่ถ้าไฟน้อยนอยนี่แหละเอาดูไฟมันไม่สลัมกองเตยตั้งนานละหลาย10ปีมาละ20ปีแล้วมั้งหรือไฟไหม้ที่ไหนก็แล้วแต่มันเกิดจากประกายไฟนิดเดียวเขาบอกเอาไฟลัดวงจรแต่ไฟไหม้ที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าไฟลัดวงจรไฟลัดวงจรเนี่ยมันฟากนิดเดียวเองตรงไหนตรงขั้วปลักมันนิดเดียวเท่านั้นเอง พอมันกินเชื้อเท่านั้นแหละท่านฟังมันบึ้มบ้มขึ้นทันทีมันไหม้บ้านทำคนตายทำทรัพย์สินเสียหายไม่ใช่เกณฑเป็นแสนแต่เป็นล้านเป็นหลายสิบล้านบางทีหลายร้อยล้านนะเบิดโรงงานอะไรต่างๆก็ไฟกองเล็กๆนี่แหละอย่าประมาทไฟกองเล็กอย่าประมาทอสรพิษตัวเล็กๆแหมงูเห่านี่ไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่พิษมันร้ายนะรุนแรงงูนั้นตัวเล็กๆ ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าตัวเราเท่าไหร่ด้วยซ้ําแต่แต่มันมีพิษร้ายจึงต้องไม่ประมาทงูตัวเล็กๆนะหรือว่ า, าสามนเณรหรือพระที่ยังอายุ น, อนอยนะ้อยอยูนะ่เราก็อย่าประมาทถ้าอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้หรือกษัตริย์เนที่ยังจนอายุน้อยอยู่เราก็อย่าประมาทเพราะว่ามีอำนาจที่จะสั่งเป็นสั่งตายได้เราอย่าประมาทเนะอย่าเห็นภัย เห็นว่าภัยเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆแล้วก็เออไม่เป็นไรผ่านๆไปก่อนอย่างง่ายๆเลยนะเราตื่นนอนตอนเช้าอย่างเงี้ยคือถ้าเราเห็นว่าเอออะฉันถึงเวลาตื่นละลุกละแต่ว่าอืมขอถอยห้านาทีนะ้นนนนานะจิตใจเราไปความคิดทางต่ําละมันไหลไปในความคิดทางต่ํานี่แหละภัยเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าทาบ่อยๆทําบ่อยๆนะไอความอากุศลธรรมเนี่ยมันงอกได้ น้าขอยคำนึงอิ่มล้อยู่แต่ว่าขอยคำนึ่งละกันมันอร่อยนั่นนี่แหละภัยนิดเดียวแต่มันจะมีโทษนิดเดียวแต่มันจะนำภัยมาหาเราได้เวลาที่เขาทาลายเมืองกันเนี่ยเขาส่งกองทัพมารบเนี่ยตอนแรกเขาก็ส่งไส้ศึกมาก่อนมันก็มาคนเดียวสองค น, นั้นถ้าเราไม่รู้ไม่ทันไม่กําจัดพวกไส้ศึกนี้ออกไปก่อน นะมันจะพากองทัพใหญ่กว่มันขึ้นมานะเราต้องระวังให้เป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะักศึกาบทตั้งหลายเราอาจจะยังไม่ทราบหมดเลยพระบทใหม่ในภรษานะนัศีลโอ้มีเป็นโออย่าว่าเป็นหลายร้อยข้อเลยมีเป็นพันพันข้อนั่นแหละนะร้อยข้อนี้ก็คือที่เขาอยู่ในปติโมกนะที่นอกปาติโม ก, ก็มีอีกเป็นหลายพันข้ออา้าวก็ค่อยๆศึกษาไปแตนะ่ยังน้อย ปาิโมกข์เราต้องรักษานะยังารวาดก็ตามแตนะ่คุณมีศีห่หอันนี้เป็นหลักละเป็นตัวบทหลักนะอื่นๆเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะเราค่อยรักษาสีนีไม่ใช่ว่าไม่ค่ายอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความที่เรามีเมตตากรุณาด้วยในมรรดาสัตว์ตั้งหลายนะไม่โกหกอย่างเงี้ยหรือไม่พูดคำหยาบอย่างเงี้ยก็ไม่พูดคำหยาบไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกนะเรื่องของพูดปดใช่ถ้าละเอียดขึ้นไป เราก็เอาสัมมาวาจาทั้งหมดมาใช้มันก็ดีในศีลของเราก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนะเราก็ให้สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนะคนที่มีเพื่อนดีแล้วเนี่ยคนที่มีเพื่อนดีเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้นะที่จะสามารถที่จะทําให้มีศีลได้นะมีศีลได้ศีล น, นี้มีละเอียดลงไปงนะท่านฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานในการที่จะศึกษาปฏิบัตินะในเรื่องศีลต่งตางๆให้มันละเอียดลงไปมันจะได้แน่นอน นะไม่ใช่คิ ด, คดว่าสีน่าแแค่นั้นจบคุณยังนั่งกินดื่มกินนะคือหมือนว่าเวลาลวเอาอาหารใส่ปากอย่างเงี้ยนะคุณเดินหรือเปล่าเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้มันดีขึ้นมาได้อารนั่งนะั่งพิจารณาให้ดีก่อนเอาอาหารเข้าไปในปากอ า, อาหารล่วงลําคอพิจารณาก่อนหรือเปล่าเอออันนี้ก็เป็นศีนเหมือนกันนะเป็นเรื่องละเอียดที่เราสามารถทําให้มันดีขึ้นมาได้หรือว่าก่อนนอนก่อนที่จะเอ็นกายลงนอน กุณกำหนดจิตหรือเปลว่าจะตื่นตอนไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําให้ละเอียดลงได้ น, น, นอนคุณนอนท่าไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําให้ละเอียดลงได้เรื่องของศีลเพราะเรามีศีลแล้วสิ่งที่จะหวังได้นั่นคือข้อที่3นั่นคือเราจะเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งธรรมะเหล่านี้นันคือธรรมะที่ทําให้เรามีความปรารถนาน้อยธรรมะที่ทําให้เรามีความสันโดษ นะเครื่องอะไรหรือว่าธรรมะเหล่าไหนาที่เราเอามาศึกษาปฏิบัติแล้วตามศีลหนึงหมด น, นั้นๆนจะทําความปรารถนาน้อยให้เกิดขึ้นไดนะ้ความสันโดษให้เกิดขึ้นได้ปราถนาน้อยเป็นยังไงนะสมมติแทนที่จะกินจานหนึ่งแทนที่จะกินสักสาจานเอาจานเดียวก็พอแทนที่จะนอนสัก8ชั่วโมงเอานอน5ชั่วโมงก็พอนะแทนที่จะเอามากก็เอาน้อยละกัน สันโดษสันโดษในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่โดดเดี่ยวนะหรือว่าให้ไปอยู่หลีกเลนอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนั่นะเป็นเรื่องของความให้สงบนะความสงบเออเราอยู่ยินดีในที่สงบอ่านะั่งนั่งขับรถไปที่ทํางานอย่างเงี้ยแทนที่จะเปิดเพลงเย่เย่อฟังปิดซะให้อยู่สงัดทําจิตให้สบายสบายหรือเปิดรายการธรรมะฟังเอออันนี้เป็นเรื่องให้สงัดอันนี้ถูกนะข้อที่2กับมาที่2องึงเรื่องความสันโดษ หมายถึงให้พอใจในสิ่งที่เรามีหนหนอันนี้ไม่ใช่ว่าให้เราแบบไม่ตั้งเป้าในชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนแต่คุณตั้งเป้าในชีวิตก็ทําไป blanc, คุณมีเป้าหมายในชีวิตจุลจะต้องวางแผนหน้าที่การงานก็ดีแล้ว receivers. เป็นสิ่งที่เราควรคิดควรทําแต่เราต้องพอใจในส well ิ่งที่เรามีอยู่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าพออยู่เพียงเท่านี้นแต่เราทํากุศลธรรมต่างๆ่างมันเกิดขึ้นเรามีการทําอย่างจริงจังมีการทําความเพียรเราเดินหน้าไปในชีวิต เราเดินหน้าไปในการที่จะทําสิ่งในชีวิตให้ดีขึ้นการทํางานเราทําอย่างขันแข็งขยันขันแข็งเต็มที่นะอย่างเงี้ยถึงจะถูกแล้วก็พอใจในทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่อันนี้คือความสันโดษอย่างประสงค์นะก็พอใจใน เ, เรื่องของจีวรและบาตรนะจีวรและบาตรที่เรามีแค่นี้เองนะแล้วการทําความเปลี่ยนคุณต้องทําเต็มที่นะไม่ใช่ว่าให้สันโดษในเรื่องศีลฉันมีอยู่ฉันก็พอแค่นี้แหล ในสมาธิฉันมีอยู่นิดๆิหน่อยหฉันก็พอแค่นี้ น, นี่คือก็ใจผิดนะแต่ให้สันโดษในเรื่องของปัจจัยสีที่เรามีนะเราทําความเพียรให้เต็มที่นะปัจจัย4ีเราให้มีพอนะพอใจเท่าที่มีอยู่นะทําความเพียรเต็มที่แล้วถ้าในกรณีของเราวา่าตคุณทําความเพียรคุณทําจริงจังในหน้าที่การงานแล้วปัจจัยสีมันจะเพิ่มนะเราก็พอใจตรงนั้นนะที่มันเพิ่มก็แค่นีนนะ้ต่อไปถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลดีแล้วเนี่ย ในลักษณะที่อธิบายให้ฟังตอนเมื่อสักครู่นี้นะก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้มีความเปลี่ยนความเพียนในที่นี้คือหมายถึงการทําจริงทําจริงทําจังแน่แน่จริงทําจริงทุกอย่างนในการทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันจริงอย่าทํารอหลอแล่แหลกภาษาอิสานนี่เขามีคําหนึ่งตัวงพระเจ้าก็เพิ่งมาศึกษาภาษาอิสานนะเขามีคําสํานวนที่ว่าสาบานทําพอสถาบันน้ไม่ตายนะคือหมายว่าทําแบบ ยาะใหญ่ใหญ่เป็นผู้ที่ปรารบความเพี้ยนเลวทรานะทำก็เออเขาบอกให้ไปกวานลานวัดก็ไปกวานสัก2อสแกรกนะพอที่เขาถามว่าเอาได้กวาดไหมได้กวานอยู่ครับแต่กวาดสอแกรกนะแค่นี้คือทําพอสบายหนาไม่ตายนั้นะทําความเพี้ยนเลว3แต่ในที่นี้หมายถึงให้เราทําจริงทําจังนะทำจริงๆจังจังทำแน่แน่จริงทําจริงทุกอย่างทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วย แต่ถ้าทําจริงมากเกินไปใช่ไหมมันจะเป็นไใบเพื่อความฟงสารถ้าทําจริงน้อยเกินไปทำแบบเหยาะเยะแยะแก็จะเป็นใบเพื่อความเกียคราดอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้จริงเนี่ยทำจริงๆจังๆเนี่ยให้มันสมดุลนะให้มันพอประมาณนะพุทธาบดีบเหมือนกับเอามือสองมือจับนกกระจาบนะถ้าเราบรีบมันหนักเกินไปมันก็จะตายขาดมือถ้าเราปล่อยมันล้วมเกินไปมันก็จะบินหนีไปได้ เพรเราต้องให้เป็นผู้ที่มีความเพียรคือทําจริงจังแต่ถ้าทําจริงจังอย่าไปเครียดละ่ะถ้าเราทําจริงจังแล้วเรารู้สึกว่าเครียดน่นะแสดงว่านั่นคือปราโรคความเพียรจัดเกินไปแล้วนั่นะเดี๋ยวนกมันจะตายนะคือจิตมันจะเครียดนะัเราก็พอประมาณแต่อย่าปล่อยรวมเกินไปละ่ะเดี๋ยวมันบินหนีไปได้จิตเราจะแตกนะัเราก็ต้องทำพอดีๆนั่นะพอเราทําอย่างนี้แล้วศีลเราจะเกิดได้สมาธิเราจะเกิดได้วิมุตติเราจะเกิดได้ อีกอันหนึ่งที่ธรรมะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราได้คือความที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะในเรื่องให้สังัดให้สันโดษนะมีความไม่คลุกคลีนะคือเราไม่ยินดีในความคลุกคลีนะหรือบางทีเราอาจจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือขับรถไปโอ้คนอยู่รอบตัวเราเป็นเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ไม่คลุกคลีนะมีความวิเวกอยู่ในภายในนะความไม่คลุกคลีเนี่ยหมายถึงในระบบทางใจก็ได้ในระบบข้างนอกก็ได้ในเรื่องของความวิเวก เรวิเวกทางกายนะคืออยู่ในที่ที่ไม่มีผู้คนเกกลื่อนกลนนะไม่มีเสียงเอื้อยื่งนะไม่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกนะคือเวลาคนเดินเข้าเดินออกมันจะมีลมจะมามากระทบนะลมตรงนั้นก็ไม่มีโอ้นะนี้วิเวกจริงๆเหมือนไปอยู่ป่าหนะลีกเล่นส ง, งัดอยู่ผู้เดียวอันนี้คือวิเวกทางกายวิเวกทางใจก็คือในใจนั้นไม่มีความคิดทางการปยาบาติเบียดเบียนะบางคนกายนี่วิเวกอยู่ แต่จิตไม่วิเวกก็มีแตนะบางคนจิตวิเวกแต่กายนั้นอยู่ในเมืองใหญ่แต่จิตวิเวกอยู่ก็มีแตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราก็กแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมถ้าเราอยู่ในบ้านเมืองทํางานทําการจิตของเราก็ให้มีความวิเวกอันเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความสุขของผลนะที่เราจะทําให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีธรรมกถาพวกนี้ลนะคือธรรมะที่จะ เป็นเครื่องที่ทําให้มีความสุขมีธรรมะที่จะทําให้มีความสุขของผลนะที่จะเกิดในใจของเราได้เนี่ยก็ยังมีข้อตอบไปอีกนั่นะคือข้อที่สนะ้นถ้าเราได้ก็เรียกว่าธรรมะใน10หมวดนี้ก็เรียกว่าธรรม ะ, มนะรรรมะอันเป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตนะเป็นเครื่องขัดเกาวเกรงอย่างยิ่งนะไล่ไปเลยตั้งแต่ความปรารถนาน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีให้มีความเพียรให้มีสีให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีวิมุติ และให้มีวิมุตติอย่างนัตสนะน่ะเราทำเช่นอย่างนี้ได้น่ะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรละนะมีการทําจริงทําจังนั้นในอะไรทําจริงในเรื่องอะไรและทําจริงในเรื่องกุศลธรรมนะเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นน่ะเพื่อให้อกุศลธรรมที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันหายไปดับไปไอ้ที่มันยังไม่มียังไม่มาอย่าให้มันเข้ามาไอ้ที่มีอยู่แล้วให้มันเจริญขึ้นที่เรายังไม่มีเอาหามาใส่ เป็นผู้ที่มีความบากบัน่นมีกําลังมีกําลังจิตมีกําลังกายในการที่จะไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายลเราทําความเปลี่ยนให้มันพอประมาณพอประมาณเสมอๆกันมีการปรับอินทรีย์นั้นทำให้มันสมดุลแล้วข้อสุดท้ายก็คือความที่เราจะเป็นผู้มีปัญญามีปัญญาเป็นเครื่องที่ให้เห็นสัจธรรมนันคืออริยสัจสีนั่นเองเห็นอริยสี่ขีนยังไงเห็นความเกิดความดับไง เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นัเลยเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้นี่แหละเป็นปัญญาที่เป็นอริยะแล้วนัเป็นปัญญาที่ประเสริฐแล้วนัคนเรียนจบด็อกเตอร์หรือว่าจบปสีหรือว่าบางทีไม่ได้เรียนหนังสือคุณเห็นตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นธรรมสัจจะอันเป็นเครื่องให้ถึงความตั้งขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นั่เกิดดับนั่นเองใ น, นอะไรบ้างทุกสิ่งเลยเป็นภรรษาอะไรภรรษะมาตรงไหนนัคุณเห็นตรงนี้ นะก็จะเพื่อชื่อว่าเป็นธรรมที่ทําให้เกิดความสุขของธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราทําให้เป็นผลขึ้นมาได้5อย่างนีนะ้คือถ้าเราเป็นคนที่มีมิตร ด, ดีมีสายดีมีเพื่อนดีไนะล่ไปตั้งแต่จะเป็นเพื่อนกระวาสนะคนจะเป็นประชาประสงคนะ์หรือว่าเอาธรรมะคือมั่งแปเป็นมิตร ด, ดนะีเราก็จะทําใหนะ้มีข้อที่2คือมีศีลมีศีลเราทำอย่างละเอียดเห็นภายในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อย นาะยู่มีมารยาทดีมีที่โคโจรที่ไปดีนาะคุณจะทําใหนะ้ธรรมะสิอย่างที่เป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสนะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อสบายแก่การเปิดโลกแห่งจิตนะเกิดขึ้นได้เพราะมีธรรมะตรงนี้ชื่อว่าคุณทําความเปลี่ยนคุณทาความเปลี่ยนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะเพื่อละสบาต่ า, างๆเห็นมีปัญญาคือข้อที่5นะ้าอันนี้คุณจะทํามักทําผลของคุณให้เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเราทํา5อย่างนี้แล้ว และพจ้าก็ได้ตรัสกับเมธยาให้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างนี้ต่อไปนั่นคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะอสุภะนี่คือการที่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงาม น, นเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเพื่อที่จะให้ราคะในจิตเนี่ยมันออกไปมันละไปนี่ก็ออที่หน่งสองพยาบาทละ่ะจะจัดการกับมันยังไงก็เจริญเมตตานั้นเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทบางทีจิตเราใช้อยู่เรารักษาจิตเรามีสียอยู่ ในใจมันยังหึ้มอยู่บ้างในใจมันยังพุ่งไปตามบ้างในใจมันมีความกังวลอะไรต่างๆอยู่บ้างเราจะละราคาได้เราต้องทำเนืองเนืองนะซึ่งเจ้าอสุภนะไ่้เห็นความเป็นของไม่สวยงามในอะไรในอาหารนี่แหละในอะไรอีกในกายก็ไดนะ้แล้วพยาบาทเราจะละยังไงคุณทําจิตเมตตาไม่ใช่ทํำจรที่คุณมีพยาบาทนะคุณต้องทําก่อนแล้วนะเตรียมการไว้แล้วนะแล้วความคิดวิโตวิชานฟุง้งซ่านอะไรต่างๆทําไง ใช้อนาปนาสตินาะอนาปนาสติจะเป็นไปเพื่อตัดเสียซึ่งความคิดต่างๆความฟุ้งซ่านได้แล้วก็อ้การสําคัญมั่นหมายในความเป็นตัว ต, วตวนนะาโมหะนี่แหละนาราคาโทสะโมหะโมหะเราจะละมันด้วยการที่เห็นความเป็นก่อไม่เที่ยงเพราะว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงคืออันนีจจ้จสัญญาอันนี จ, จังใช่ไหมเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเราจะรู้ว่าไอ้สภาพที่มันไม่เที่ยงนี่แหละคือความที่มันทนอยู่ได้ยากความทนอยู่ได้ยากนี่คือทุกข์ไง ทุกคือทนอยู่ได้ยากอะไรที่มันมันต้องเปลี่ยนน่ยมันหยุดนิ่งๆมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปแต่เนะพราะมันมีการปรุงแต่งต้งปรุงแต่งตัวเองปรุงแต่งสิ่งอื่นนั่นแหละคือทุกแตนะ่ถ้ามีอนิจจังเห็นอนิจจังแล้วแตนะ่ทุกขะสัญญาก็จะมั่นคงแตนะ่เห็นทุกอยู่เรื่อยเเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เราจะรู้ว่าเฮ้ย ม, มันอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราของเราแตนะ่ถ้าเราเห็นความเป็นอนัตตาแล้วเราจะถอนความสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นของเราได้ อวิชาจะละไปไดนะ้เราตั้งอยู่ในธรรม5ประการนี้นะจะเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตต์ที่ยังไม่สุขรอบแล้วเราทำา4อย่างทำธรรมะสอย่างนี้นะ่คือเจริญอสุภาพเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอานาปนสติเพื่อละซึ่งความวิตกและเจริญอ น, นิจจสัญญาคือการเห็นความไม่เที่ยง เ, ยเพื่อถอนความสาคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนนะราคะโทสะ โมหะของเราจะรากไปได้ณนะราคาโทรศโมหะนี่เป็นอาการที่มันมีรากมาจากเจ้าตัญหาละวิชาเหมือนที่ยังฝังรากลึกอยู่ในจิตของเราถ้าไอตรงนี้มันฝังรากลึกอยู่ในจิตของเราผลมันเกิดไปได้นะหรือว่าต้นไม้ที่เร า, เามีอยู่มันยังมีวัชพืชคือเจ้าเถาย่านทรายนี่แหละที่มันมาคอยกวนคอยไม่ให้เราพืชของเราโตชาวนาะเ็ทําน า, า, นานในข้าวเขาจะต้องเอา คอยเอาวัชพืชพวกนี้ออกตัณหาอวิชชาเนี่ยเปรียบเสมือนวัชพืชในกิเลสตัณหาอวิชชาถ้ามันอยู่ในนาแปลงไหนอยู่ในจิตดวงไหนมันก็ทําให้ผลผลิตในนาในแปลงในข้าวแปลงนั้นน่ะมันน้อยถ้าจิตของเรามีราคาโทสะโมหะมากผลผลิตของธรรมะมันก็จะน้อยลงเอ้าเราเอาเจ้าราคาโทสะโมหะนี้ออกจะทําสิ่งแวดล้อมยังไงให้เจ้าราคาโทสะโมหะนี้มันออกไปแั่นก็คือต้องเป็นผู้ที่มี เพื่อนดีมีมิติน่ยมีศีล น, น่ยมีธรรมกถาที่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส เ, เป็นที่สบายในการเปิดโลกแห่งจิตเป็นผู้ที่มีความเพียรแต่เป็นผู้ที่มีปัญญาในวันนี้ครัเจ้าพระภัยบุญอภิบุณโงกขอลาไปก่อนพบกันใหม่หนุ่นพรุ่งนี้จเจริญบอล